ดูด้วยนะน้อยเต็มทีนาะถึงเจ็บอยู่ก็ยังอุตส่ามาพูดธรรมะให้ฟังปานนี้ยังไม่สนใจจะมาฟังนี่มันก็นับบ่าหน้าบ่าไม่ค่อยได้ผลดีแล้วสำหรับผู้ที่ เขาวัดเข้าวาแล้วไม่สนใจในธรรมะคำสอนของพระเจ้านะ่ะไม่ดีเราต้องสนใจต้องพอใจในคำสอนของพระเจ้าไม่งั้นจะเข้ามาอยู่ในวัดทำไมอยู่บ้านดีกว่า เรามรู้ในทางธรรมนี่เราฟังไปบ่อยๆเข้าไ้มันก็ซึมซาบเข้าไปในจิตใจเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้รู้มาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วจึงได้มาฟังกันสำหรับภาษาคำพกูกคำจาอะไรเป็น สมบัติอันประจำชาตินี่อันนี้พ่อแม่เป็นผู้สอนให้พี่น้องสอนให้ก็ได้ไม่ยากภาษาธรรมดาธรรมดานี่เรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องไปเรื่องมาเรื่องดีเรื่องชั่วอันเป็นดีชั่วอย่างพื้นๆทั่วไป เช่นอย่างว่าคนนี้ทำนาเนย็บผักปักร้อยได้ดีมากนี่นะเขาก็ว่าคนดีงี่นะคนนี้เรียนวิชาความรู้ได้ปริญญาตรีเขาก็ว่าคนดีนี่นวัดดีทางโลกอันนี้นะเงินเปอย่างนั้น แต่ดีทางโลกนี่มันก็ได้อาศัยความรู้นี่ทำการทำงานเลี้ยงชีวิตของตนเองช่วระยะชีวิตหนึ่งงเท่านี้แหละแต่ความรู้ในทางโลกนี่มันจะเป็นอุบายแยบคายสอนจิตใจให้ดีมาให้กิเลสมันครอบงำ จิตใจนั้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นส่วนธรรมะคำสองของพระเจ้านั้นนะมันเป็นโอบายสำหรับสอนจิตใจให้รู้จักดีรู้จักชั่วจังจริงจังความชั่วในชีวิตไม่มีใครรู้ได้ กบฏเจ้ารู้จะได้บัญญัติข้อห้ามไว้ห้าประการเป็นขั้นแรกห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามกล่าวุมสาว่าห้ามดื่มสุราเมลัยกัญชายาสินเฮโรอิน นี่เป็นพุทธพญัตขั้นแรกทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาบังเกิดในโลกแล้วก่อนอื่นพระองค์จะสอนให้ละเว้นบาปนี่ก่อนอย่างนี้นะใช่ไหมพุทธพญัติขั้นที่สองสำหรับโอวาทศวัสิกาเขาได้แก่สิกขาบทแปดประการ เพิ่มจากห้าเป็นแปดเพิ่มจากห้าเป็นแปดอันนี้เรียกว่าเป็นความประพฤติที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งการรักษาสินแปดเพราะมันเป็นรักษาสินห้านั้นยังมีผูมีมีมีผัวมีเมียได้ ถ้าเมื่อก้าขึ้นสุ่รักษาสิ้นแปดล้วมีภูมมีเมียไม่ได้จะไปพ่นล้ำครับห้องประดับตกแต่งร่างกายอย่างเฉิดใายก็ไม่ได้นี่เลยเรียกว่าความประพฤติในบริษทศาสนาเนี่ยมันค่อยเลื่อนขั้นขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าวันี้ เมื่อผู้มีศรัทธาแรงกล้าเข้าไปถ้าเป็นเทศชายก็ต้องเสียสละบ้านเรือนพ่อแม่อยติมิตรออกมาบวชเป็นสามนเณรบ้างเป็นพระภิกษุบ้างเป็นสามนเณรก็ต้องเป็นผู้สมทานมั่นอยู่ในสิกขาบทสิบประการ ตั้งแต่วันบวชทีเดียวนะเมื่อได้สมทานมันแล้วก็ต้องรักษาสิกขาบทเทตนสมานานั้นให้บริสุทธ์พอบ่องจริงๆไม่ล่วงเกินทั้งต่อหน้าคนหมู่มากก็ดีรับหลังคนหมู่มากก็ดีก็ไม่ล่วงเกิน อันสามเณรนี่เหนือกว่ายังมีศีลมากกว่าอุบาสิกาอีกสองข้อได้แก่การไม่รับเงินทองเข้าของจากชาวบ้านเช่นเดียวกับพระเหมือนกัน ไม่รับเงินรับทองที่ของใช้ถอนแทนเงินและทองเช่นธนบัตรธนบัตรนี่เขาเอาใช้แทนเงินและทองเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็แยกสี่ขาบทข้อนัตจขิตวานั้นออกเป็นสองสี่ขาบมเป็นสองสี่ขาบท แต่อุปสิการแลยพอรวมสิกขาบทสองสิกขาบทนั้นเข้าเป็นอันเดียวกันนี่ทามเนนท่าหักว่าสํารวมในสิกขาบทสิบประการได้เช่นนี้ก็เป็นอนิสองส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ก็ทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางได้เหมือนกันเพราะว่าข้อสินทั้งสิบข้อนั้นมันเป็นเครื่องบังคับกายวาจาไม่ให้สะท้มกิเลสเช่นเงินทองนับว่าเป็นของบาดใจของคนไม่ได้เมื่อได้บวชเป็นสามเณรเข้ามาแล้ว กต้สละไม่ยินดีพอใจในเงินในทองนั้นถึงจะเป็นสามเณนไดออ้ถ้ายังไปสะสมเงินรองเหมือนชาวบ้านเขาอยู่เหมือนอย่างผู้รักษาสินแปดอยู่เนี่ยมันไม่ถูกกับเพศสมณะเพศสมณะเพศนุ่งเหลืองหมเหลืองเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นเพศที่ สองเงินทองแล้วซื้อจ่ายขายคร่องเหมือนอย่างครือข่าไม่ได้มันเป็นยางไ้นสวนาเพศนี่ต้องเป็นนักเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เสียสละไม่ไมเยื่อใ่อะไร มีแต่บริขารติดตัวเท่านี้เองผ้าหนุ่งผ้าหฮมแล้วกรอบบาทบริขารจะถอยเล็ ก, ลกน้อยน้อยอก็อกเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยสามเณรเมื่อรักษาศีลสิบประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็เป็น เป็นปัจจัยให้ได้บาเพ็ญ ส, สมาธิให้เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเป็นพระภิกษุเช่นนี้มันยังมีความบกพฤ่อละเอียดละออเข้าไปกับสามเณ น, นอีกพระภิกษุนี้เป็น เพศอันอุดมเป็นผู้วันลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วบันนี้เพื่อภิกษุผู้บวชเข้ามาแล้วมีความประพฤติไม่ดีไม่งามชาวบ้านสมัยนั้นเขาก็ไม่เนี่ยนเถือเขาก็ทำนิติเตียนเอา เมื่อมีผู้ไปทูลประสาทประดาพราะองค์พิจนาเห็นว่าถ้าไม่บรญญัติถ้มความประพฤติเช่นนี้ชาบ้านก็จะไม่นับถือเขาจะไม่อุปการะาพระภิกษุสามน่งก็อยู่ไม่ได้เองนั้นดังนั้ น, น, นพระ อ, องค์จึงไปชมสอง ถามผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ยอมรับว่าได้ทําอย่างนั้นจริงได้พูดอย่างนี้จริงอย่างนี้นะพระองค์ก็ทรง n ําหนี้ตีเตียนว่าพูดอย่างนั้นไม่สมควรแก่สมณะเพศเพราะชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นไม่ควรจะทําทตัวให้เขาเรียงง่ายไม่ควรทําตัวให้เขารังเกียจ เราเป็นผู้เลี้ยงชีวิตด้วยชาวบ้านอาศัยชาวชาวบ้านเป็นอยู่ถ้าไปทำให้ชาวบ้านเขาไม่เลื่อมใสเขาไม่นับถือแล้วเขาก็ไม่บำรุงพระภิกษุสมามเณรก็อยู่ไม่ได้คงอยูญญ่บรรยทธามอย่างนี้นบรรยทธาม ไม่ทําอย่างนั้นไม่พูดอย่างนั้นเดว่าสิขาบทส่วนหลายทรงบัญญัตินั้นก็บัญญตัติห้ามไม่ให้พิสุกกระทําให้มันชาวบ้านเขารังเกียจดียดฉันนั้นสิขาบทที่ทรงบัญญัติห้ามส่วนมากเป็นอย่างนั้นอเช่นอย่างว่า ถ้าบวเป็นพิธีโทสะเนนแล้วยังจะเป็นทําตัวเป็นคนคู่อยู่มันเรื่องชาบ้านอย่างนี้นะชาบ้านเขาก็ไม่นับถือเลยอ่าอย่างนี้อ่าเป็นนักบวชต้องทำตัวเป็นคนบูเดียวสิจะจะทําตัวเป็นผู้ที่มีคู่คิงอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องอ ดังนั้นพระภิกษุถ้าลูกเข่าภิกษุลูกใดไปสุงสิงกับเพศกงกันข้ามแล้วขาบาลเาูเข้าเขาก็ไม่ยิน ด, ดีตำหนิติเตียนเอาดังนั้นสิกขาบทเกี่ยวกับมณียาธการสังคมกับเพศกงกันข้ามของภิกษุเนี่ยจึงมีหลายเนี่ยมีหลายสิกขาบทเลยอย่างนี้แหละ เช่นห้ามไม่พูดกันในที่รับสองต่อสองอย่างนี้นะในที่ในที่รับตาสองต่อสองในที่รับหูสองต่อสองในที่รับหูบหมายความว่าเช่นอยู่กลางวัดอยู่ไกลคนคนฟังไม่ได้ยินพูดอะไรกันเนี่คนอื่นไม่ได้ยินด้วย อันนี้เรียกว่าที่รับหูแต่ที่รับตาเช่นมคนมองไม่เห็นอยู่ในห้องในหับอะไรอย่างนี้นนกะทรงปรับโทษไว้อันนี้เป็นโทษอย่างเป็นกลางเป็นคำกลางแล้วแต่การสอบสวนมันจะออกมารูปใด ไอ้พิสูนั่งอยู่ในที่รับตานี่นะเพราะในที่รับตานี่อาจจะเรื่อพืชผิดเพราะวิในอันไล่แรงจนถึงที่สุดก็ได้หรือบางทีอาจจะเผื่อพืชเพียงเป็นโทษขนาดกลางกลางก็ได้ไอ้ส่วนโทษเบานะั้นผิดแล้วนะ ไม่ต้องมีใน้ใช้ ย, ยากนั่งอยู่ในที่รับกับผู้หญิงสองตัวสองนั่งอยู่ในห้องถึงจะมีผู้หญิงหลายคนเมื่อไม่มีผู้ชายเป็นเพื่อนก็พิดก็ห้ามอืมดีนี้นะพระพุทธเจ้าวันยัตสิกขาบทเกี่ยวกับ การสังคมกับเพศกงกันข้าว่าอย่างนี้นหละเพราะฉะนั้นอขอให้พวกเราได้รู้ไว้ถ้าจะไปหาพระหาเจ้านี่เมื่อก็ต้องให้สังเกตดูเมื่อพระท่านไม่มีผู้อยู่เป็นเพื่อนต้องไปหาเพื่อนมาซะก่อนหาพระหาเนร มานั่งเป็นเพื่อนพระที่ตนประสงค์จะคุยด้วยนั้นให้มานั่งอยู่เป็นเพื่อนฟังด้วยพูดอะไรกันเนี่ยเนี่ยว่าพระวินัยเนี่ยควรรู้ไว้พรงญาวนยัตยิห้ามไม่ให้ทำความชั่วเกี่ยวกับเรื่องกิเลสกามวัตถุกรรมต่างๆพวกนี้นะมัน ทบันญัติห้ามตั้งแต่ศิขบดินัยเนี่ยขึ้นไปเลยอืมจนจนตลอดไปภาวนาทาง จ, จิตใจแล้วอาเมื่อทางกายวาจาไม่ได้ทำได้พูดแต่แล้วทางจิตใจมันไม่ยอมสงบมันด้วยตกไปแต่เรื่องรักเรื่องใคร่หรือวิตกก็จะเรื่องโกรธเรื่องเกลียดทังกันและกัน อันนี้เป็นหน้านที่ที่ตัวเองจะต้องปราบตัวเองลงไปถ้าผู้ใดไม่ปราบความคิดข่มขู่ตัวเองก็แปลว่าผู้นั้นส่งเสริมราคะปัญหาให้แรงกล้าขึ้นก็เป็นนักบวชไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้ย่อมมัวหมอง ดังนั้นเปิดนั้นเป็นนั้บววจะไม่ส่งเสริมความวิตกการม ว, วิตกพยาบาทวิตกเพียงซ้าวิตกเร่องนี้ไม่ได้อืความคิดภ า, ายในจิตใจต้องรู้ความคิดอะไรเป็นอกุศลการม ว, วิตกพระพุทธเจ้า菩萨เราเป็นอกุศล ความคิดพุ่งไปในรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสทั้งจังงานนาโม น, นี่เป็นอกุศลทั้งนั้นเลยอพอคิดเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นเอเหล่านี้ก็เป็นอกติผลวิศว์เาบาบทวปาฏิหาริย์ใจเบ็งั้นความคิดเบียดเบียนกันหาเรื่องใส่กันยกโทษกัน อะไรต่างๆนานาหมดนี้นะมันก็มันก็เป็นอกุศลบางกันแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทำเมื่อผู้ใดเห็นเห็นผู้ใดทำผิดก็ต้องแจ้ง ต, ต, ต่อผู้บริหารผู้ปกครองให้ทราบแล้วแต่ผู้บริหารปกครองจะพึงดำเนินไปแก้ไขไป คอพาเราปฏิบัต่อย่างน like ั้นอืเม um ื่อผ네ู้ปกครองได้รับเรื่องเราต่างแล้วก็จะต้องสอบสวนสืบสวนดูว่านี่มันมีข้อมูลจริงเหรือมันมีมูลมูลความจริงอย่างไรนี่จะต้องสืบดูให้รู้ว่ามันมีมูลความจริง อย่างนั้นะก็จึงจะได้เรียกประชมุมถามต่อหน้าที่ประชมุมเอาอย่างเปิดเผยไม่ต้องลี้ับใครผิดยังไงก็ให้รู้ไปใครถูกยังไงก็ให้รู้ไปแล้วให้ใครผิดก็ยอมรับผิดไปตามโทษสาุโทษนั่นนั้นอย่างนี้ในพระธรรมวินัยนี่ พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้อย่างนี้นะเพราะว่าบุคคลพวกยังมีกิเลสอยู่เนี่ยซึ่งจะมาให้มันผิดมันพลาดอะไไม่ได้มันก็มีอยู่ว่างนะทางที่ถูกก็ดำเนินไปมีอยู่บางทีก็เผลอไปทางผิดก็มีแต่ทางผิดที่ไม่ร้ายแรง ก็ต้องผู้่บริหารปกครองก็นแนะนำดักเตือนกันไปให้สังวย ร, ระวังไม่มให้เกิดความผิดพลาดบ่อยๆมันไม่เป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมในวินยัยไม่เป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรอย่างนี้นะ ไปมาเอาแต่เพ่งโทษกันต่างคนต้องต่า ง, งแก้ไขตัวเองสิก็แนะนำตะเกียร์อยู่ฝั่ น, นี้แหละก็ให้วม่ได้ใช้ตัวเองให้ได้ตนเองทําผิดพูดผิดอย่างไรก็ให้รู้ตัวถ้าผูใ้ใดไม่วิได้ใช้ตัวเองวิ่ได้ใช้ตัวเองไม่ออกก็คุณนั้นก็หลงมืดแปด้านเต็มทีออื เบงเงนเดืองมันน่ะนทุกคนตรงวินิจฉัยตนเองให้ได้ว่าตนเองผิดอะไรบ้างถูกอะไรบ้างที่ทำมาพูดมาเป็นยังไงยีงก็ต้องให้รู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วอาการอะไรที่มันไม่ดีงามเราก็วะเว้นสังวกระวัง ไม่ทําไม่พูดอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วชีวิตมันก็ดีขึน้นเปรียบั น, น, นไม่ใช่ไปคอยได้ผู้อื่นเฝ้าดูแลตักเตือนให้อย่างนี้จึงจะทําดีได้อันถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้หรอกทําดีไม่ได้พูดเช่นนั้นเพราะว่ามันลืมตัวไม่รู้ตัว เ ม, มื่อไม่เมื่อไม่รู้ตัวแนละ้วมันก็สัมรวมตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วว่าอ๋อทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดนะต่อไปเราจะไม่ทําแล้วเราจะไม่พูดอย่างนี้นะผู้นั้นก็สัมรวมตนดีมันก็ดีไปนั่นเรียกว่าผู้รู้รู้ตัวตื่นตัวมันเป็นอย่างนั้นเด้งมันนะนะั่นเลยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ อฝึกตนเข้าไปนม้จะแนะนําสั่งสอนมากง่ายเท่าไรก็ตามนะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําตามที่แนะนําแล้วการนะนําสั่งสอนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเป็นไงคาแนะนําสั่งสอนจ ะ, จะมีประโยชน์แก่ผู้ฟังได้ต่อเมื่อผู้ฟังนั้นได้ น้อมเข้าไปสู่จิตใจแล้วทำจิตของตนให้เป็นไปตามอย่างนั้นเช่นนี้ลหละจึงค่อยมีประโยชน์ในการฟังดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้ล้วอให้พากันตั้งหอือัังใจ บำเพ็ญไปให้เต็มความสามารถของเราแต่พะชีวิตนมีมีน้อยเดียวหรอกเราจะมุ่งหวังเอาอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรนะที่จะต้องเอานะเพียงแต่มาอาศัยอยู่ชัว่วคราวเท่านั้นเองผู้มีปัญญาเขาก็อาศัยโลกนี้เพื่อสร้างบารมีสั่งสมกุศลกุณงามความดีให้แก่กล้าเพราะเมื่อบุคคลสร้างบารมียังไม่เต็มเนี่ย จะหลุดพนจากโลกนี้ยังไม่ได้ก่อนถ้าพวกขาดปัญญาแล้วอาศัยโลกนี้อยู่แล้วมัวมาประมาทไปทำชั่วบ้างทำดีบ้างไม่สามารถจะคัดชั่วออกจากกายวาจาใจได้เจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วกว็ทำชั่วไปอย่างนี้เหมือนกับพนนานพ้นทุกเลยเพราะฉะนั้น เรื่องนี้นะก็เคยพูดอยู่บ่อยๆ อ, อยู่แล้วออพวกคนสนมากไม่ค่อยสนเจอดีก็ทําดีเจอชั่วก็ทําชั่วชวนมากเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะจะพูดที่รู้ตัวแล้วอย่างนี้กลารทำในความดีความชั่วสัณละมันออกไปมีน้อยน้อยเต็มทีอันเป็นอย่างนั้น แล้วแม้ถึงจะมีน้อยก็ขอให้ตั้งใจบำเพ็ญกระทําำเป็นตัวอย่างของคนอื่นไปเมื่อผู้มีบุ้ใส่วาสนามมาเห็นเขาแล้วเขาก็เริ่มใส่เขาก็ยินดีเอาอย่างเออย่างที่เราอ่าบวชเป็นชีเป็นคราบเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ในวัดกาอารามอย่างนี้นะแหละเรายืนหยัดอยู่ใน ขอ้อปฏิบัติไม่ถอยหลังเราสำรวงกายรวาจาใจอยู่ด้วยสินอยู่ด้วยธรรมเช่นนี้คนอื่นมาเห็นเข้าภูมิวณิสัยเขาก็ยินดีพอใจอทัดสินใจสระบัณฑเรือนมาบวช ด, ด้วยนี่นมันก็เป็นประโยชน์อย่างนี้นะการที่เรายืนหยัดอยู่ในข้อปฏิบัติ อันดีงามดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นขอราพากันตั้ง อ, อกตั้งใจตระพิสปฏิบัติไปให้เต็ม ค, ความสามารถของตทนของโทนขนสุดท้ายขอให้ทำใจสงบลงไปให้ได้นั่นแหละมันจึงจะเป็นที่รวบรวมเอาไว้ซึ่งซึ่งกุศลคุณงามความดีต่าง ถ้าจำทําใจสงบเป็นหนึ่งลงไม่ได้กระชือว่ารวบรวมบุญกุศลความดีเทตนทามานั้นไว้ในใจไม่ได้ดังนั้นคอยพากันเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้ในที่สุดก็ขอจบลงเพียงเท่านี้